4. กาณมาตุสิกขาบทแ7ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่พิกษุผู้รับขนมเต็มสองถึงสบาทแล้วรับเกินกว่านั้นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบ